วิทยุราชมงคุณทันยะปุรี Airfame 80.5 Mekahurst เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตพระราชชาพิธีบรมราชาพิเศคพุทธศกราษ2562พระราชชาพิธีสำคัญในการเสด็จทเทลิงทวันละยาวราชสมบัติเป็นพระมหากศัตร์พระองค์ที่สิบแห่งพระบรมราชาจักรีวง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 พระราชชาพิธีบรมราชาพิเศกพุทธศกราษช .562 ครั้งหนึ่งในชีวิตกับพระราชชาพิธีสำคัญยิ่งของคนไทยครองการอนุรักษ์พันธุกรรมพื้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานขอเชิญทุกท่านร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการครั้งที่ 10, สิบทรัพยากรไทยชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ปี2562ระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคม2562ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานศูนย์หนองระเวียง อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาภายในงานจะได้พบกับเวทีเสวนาการนำเสนอผลงานทางวิชาการการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด âm รีการแสดงศินละปะวัฒนธรรมรวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอทอปและร้านขายของที่ระลึกต่างๆผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์ศูนย์สี่สี่สองสามสามศูนย์ศูนย์ศูนย์ วิทยุราชมงคลธั ญ, ญาบุรี FM แปดสิบเก้าจุดห้าเมกะเฮิร์ตและคณะศิลปรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญาบุรีชวนทุกท่านร่วมส่งความสุขแบ่งปันความห่วงใยในโครงการทำด้วยมือส่งมอบด้วยใจหมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยมะเร็งครั้งที่หนึ่ง สร้างสารหมวกมัดย้อมใบสวยเพื่อสงมอบให้กับผู้ป่วยมะเมร็งโรงพยาบาลมหาวิเชื้อราโรงกรทันยะโบรีคลอง10อำเภอทันยะโบรีจังหวัดปธุมธานีในวันที่15ตุลาคม 2,562 ผู้ได้สนใจร่วมสนับสนุนโครงการสามารถสอบถามได้ที่094 991 8998และ096 149 4623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 น้ำหมักปลาชอยอายุยืนร้อยปีหยุดอย่าหลงเชื่อง่ายๆ ย, ยาหมอบุญมีการันตีมะเร็งหายคิดให้ดีว่าเป็นไปได้ไหมรวยง่ายๆแค่เอาเงินเกระเสียนมาฝากกับเจ๊ถามข้อมูลให้ทุ่นทีเพียงสั่งซื้อกระระวันนี้รับของแถมฟรีๆไปเลยทำตามหรือไม่ตัดสินใจดีๆสารพัดเรื่องไม่น่าไว้ใจพวกเราชาวสูงวัยอย่าหลงเป็นเหยื่อหยุดคิดถาม ทำสนับสนุนเรื่องใหญ่ไวเพ็ด ร, รู้เท่าทันสื่อโดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยายลัยมหิดลต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังข่าวสารจากมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ My Computer ดำเนินรายการโดยทีมงานวิทยุราชมงคลธัญบุรี สวัสดีครับผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ My Computer ค่ะดาริสาตรักุลเงก์พร้อมด้วยคุณปิ่งพงษ์เคนทวายค่ะสวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้นะครับอรุณสวัสดิ์ในช่วงเช้าบางคนบอกว่าเอ้ยยังไม่เช้าเลยนะฮะยังเป็นช่วงเวลาที่เช้าตรู่นะฮะในวันเสาร์นะฮะหยุดยาวเลยนะคะสัปดาห์นี้อ้าวนะฮะก็มีวันสำคัญนะฮะเดือนนี้วันหยุดสองวันนะฮะมีวันสำคัญในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันคล้ายวันสวรรค์ครดพระบาทสนเดบ พระชนากอาทิเบต์นะครับมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะฮะแล้วก็อีกวันหนึ่งนะฮะก็เป็นวันข้าววันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ<ช>ก็หรือวันปิยะมหาราชนั่นเอง<ช>นะครับออก็ยุตสองวันเต็มๆนะฮะก็คือสัปดาห์นี้วันจรรันทร์และก็สัปดาห์หน้าในวันพุธ<ช>นะฮะก็ถือได้ว่าก็จะมีการถ่ายทอดนะฮะ ในเรื่องของรายการพิเศษด้วยนะครับในช่วงของสองวันนั้นก็เป็นช่วงประมาณทุ่มยีม่สิบนะฮะก็จะรับสัญญาณจากวิทยุแห่งประเทศไทยะส่วนคนที่ชมโทรทัศน์เองก็ติดตามชมผ่านทางรายการรูมการเฉพาะกิจน่าจะเริ่มประมาณสักทุ่มหนึ่งปกติก็จะเริ่มทุ่มหนึ่งเริ่มก่อนะนะฮะก็ หลังจากวันที่ยี่สิบสามค่ะคุณวันที่ยี่สิบสี่ตุลาคมก็มีพระราชพิธีที่สำคัญอีกเช่นเดียวกันนะครับบรมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพฤษศกรสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะฮะก็เป็นการเสด็จพระชมเนินนะครับทางชุลมักนะครับก็จะเห็นได้ว่าก็จะในส่วนของอะไรนะทางด้านของ กรมเจ้าท่านะฮะแล้วก็ทางทหารเรือเองเนี่ยนะฮะก็จะดูดูแลนั่นถ้าเป็นกรมทหารเรือนะทหารเรือเขาไปแล้วทหารเรือเองเนี่ยก็จะดูแลเนื้อเรื่องของการฝึกซ้อมนะฮะที่ที่ที่ร่วมกันค่ะก็ต้องบอกว่าเราติดตามก็เป็นถ้าเป็นพระราชพิธีแบบนี้นะฮะก็ย้อนนานมากที่ฉันก็ลองสงสัยว่าวันที่ยี่สิบสี่ไม่หยุดใช่ไหมคะนั่นแหละผมก็งงเหมือนกันคือเราจะได้ดูไหม ดูถ่ายทอดนะคืออยากดูแต่ก็ยังมีประกาศออกมาไงยังยังคือทางภาครัฐคงไม่นี่มีประกาศแบบพิเศษอาจจะแบบว่าลาได้โดยไม่คิดเป็นบัลล่าไออันนี้อันนี้ยังไม่ประกาศนะยังยังยังยังยังยังยังยังยังไม่ได้มีอะไรออกมาผู้ฟังนะฮะส่วนหนึ่งเองก็ชื่อว่าหลายท่าน ยังไม่ได้ลาก็เตรียมตัวหล ะ, ละ<ช>และ้วอยากจะไปเฝ้าถูนรองทุรีพระบาทรับ<ม>สเสด็จนะครับพระบาทสวนเดียวพระเจ้าอยู่หัวแล ะ, ะก็บรรมอวงสานวงใช่นะครับก็ถือว่าท่านไหนที่บอกว่าเดินทางมาใกล้อาจจะเข้าในพื้นที่ลำบาก นะครับก็สามารถติดตามาชมผ่านทางรายการรัฐร่วมการเฉพาะกิจหรือก็ทางสถานีของเราได้นะครับเดี๋ย ugo จะมีช่วงเวลาของการเชื่อมสัญ ญ, ญาณนะครับ ใ, ให้เราได้ติดตามกันด้วยนะฮ ะ, ะ, ะเรื่องราวนี้ผมว่าไป เ, เหลือเวลาสักเจ็ดแปดนาทีนะ <c oughs> ในเบรกแรกเจ็ดแปดนาทีเพื่อความเร็วจะได้แบบบริหารเวลากันได้ ส่วนหนึ่งคุณจำได้ไหมเรื่องข่าวที่ออกมาบอกว่ามันเป็นการอพอรบอการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล、mm hmm. อ, อันนี้มันเป็นมันเป็นเหลืองพอรบออกมาออกมาแล้วแล้วก็ส่วนหนึ่งเองเนี่ยก็น่าจะเป็นทางกระทรวงดีอีนะดีเอสดีอ、e、ี S. <S、uh, เนี่ยเอ า, เอาแบบเอากกระทรวงใหญ่ก่อนดีอี <Okay. S 2> เนี่ยกระทรวงด、mm、ีอ、hmm. ีคือดิจิทัลและเศรษฐกิจสังคมเองเนี่ย、mm hmm. ก็เป็นแบบแม่ ง, งานใหญ่ ในการที่ดูแลเรื่องของระบบไอทีของประเทศน ะ, ะดูทุกเรื่องอะ อ, อะไรที่แบบอตอนนี้เขาจะเน้นหลักในเรื่องของการปราบปรา ม, มแล้วก็สื่อที่ไม่เหมาะสมในสื่อ อ, อินไลน์ทั้งหมดเขาก็เลยมองว่าส่วนหนึ่งเองเนี่ยมันก็เลยพูดถึงว่าการจะต้องเก็บข้อมูลมคือบางส่วนเนี่ยถ้าเราไปตามปตทร้านกาแฟใ ห, ใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีระบบ อ่าดีจิสเตอร์ใช่าฟรีไวไฟไอ่าอ่าก่อนคุณจะได้หรือคุณไปสนามสนามบูงสนามบิ น, น, นฟรีไวไฟชั่วโมงหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องไปกรอกว่าอ่าคุณอ่าบัตรประชาชนคุณอะไรอ่าใช่ใช่ใช่ต้องกรอกก่อนนะอีโมง อ, อีเมลได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าต้องต้องแบบมีวันเดย์พิเกิดไหนเ<า>นี่ยอ่านแล้วแต่เขาจะเก็บเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้มันก็มีทั้งประเด็นว่าเก็บอ่าเก็บทำไมอ่ะอ่ามีประเด็นทั้งเก็บเก็บเสร็จปุ๊บแล้วก็มีทั้งประเด็นว่า คุณจะเอาข้อมูลใช้ไปทำอะไรโอ้ใช่ถูกไหมคือเขาก็สงสัยไงว่าจะเอาไปทำอะไรคือบางส่วนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าข้อมูลพื้นฐานเองคุณฤทธิศักดิ์คุณมีเลขประจำตัวประชาชนใช่วันเดือนปีเกิดของคุณเนี่ยขารีดิ้งเบอร์โทรศัพท์ถ้าใส่กันไปครบเลยนะคือจริงๆทางทางส่วนของหน่วยงานต่างๆน่าจะน่าจะรับทราบอยู่แล้วเพราะเราใช้อะไรที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์เราก็ต้องลงทะเบียนอย่างเงี้ยคือของมหาวิทยาลัยเนี่ย ก็ <g ül> <g ül> มีฟรีไวไฟนะอ่ะคุณผ<ช>ู้ฟังถ้าฟังอยู่คือบางจุดเขาก็จะมีเว็บไซต์ในการขอไวไฟฟรีอ่าก็ก็ต้องลงทะเบียนเหมือนกัน <ขา S 2> แต่กระบวนการคือก็เป็นหน่วยงานภาครัฐก็อาจจะไม่ค่อยมีผลแต่ถ้าเป็นคุณณริสาคุณ <ขา S 2> มีน้องชายเนี่ยน้องชายคุณเปิดร้านกาแฟาสมมติส่วนใหญ่จะเป็นร้านกาแฟเนี่ยแหละร้านกาแฟเผอิญแบบอยากมีไวฟรีไวไฟให้ลูกค้าเพราะมันเป็นแบบอ่าอุปกรณ์หนึ่งหรือเป็นแบบเซอร์วิสหนึ่งที่จะต้องให้กับลูกค้าเพราะว่าบางคน บางทีเน็ตตัดพอดีอะแล้วไฟฟ้าไฟฟ้าน่าจะเร็วกว่า อ, อ้าวบางทีแบบเออเน็ตน่วงบางทีอาจจะแบบเออใช้ไฟฟ้าแล้วเสร็จปุ๊บเออต้องต้อ ง, อ, ง <c oughs> อัปเดตอะไรเงี้ยเขาบอกเก็บไปทำไมะอะไรเงี้ย <c oughs> คือแบบคือเราเราเป็นแบบบุคคลทั่วไปอะคือเขาใช้คำว่าล็อกไฟเก็บคำว่าล็อกไฟไว้ก่อนคือล็อกไฟถ้าแปลความหมายคือเส้นทางของการไปเออถ้าถ้าแบบแปลง่ายๆนะคือล็อกไฟคือคุณเข้านี่หนึ่งครั้งคุณไปไหนบ้าง C bien, ei se le tout va também. Vous находisez un geschätruit de smoke de obisca en wish. Si, vousfeldred Australian, vous vous en choisissez un societ vertu l'année 1. Bien, me els Wales vous allez à partir instagram que vous avez à dieser site et par rapport Detrás de cette site C'est vrai que vous deserve à non-dé�� et monsieur La transparency est la déc 후� gegenEx normalement. ว่าเราทำอะไรบ้างใช่เมื่อเหมือนเป็นการตรวจสอบดูว่าคุณไปไหนดูพบร่องรอยมันก็จะบอกได้ว่าเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยมันก็จะมีเลขอัตราส่วนของตัวเองมันก็จะบอกว่าไอพีอัตราส่วนตัวเนี้ยถ้าสมมติขึ้นด้วยสองศูนย์สามจุดศูนย์หนึ่งแปดแปดอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าเนี่ยคนเข้าจากเครื่องนี้และตัวตนคือคนนี้ไปอะไรแต่ถ้าไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดผลไม่เกิด การร้องเรียนมีขดงขดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมีผลไงแต่เพราะเอิญคุณดุสานล็อกไว้เพราะเอิญล็อกไว้แล้วลืมลืมล็อกเอาล็อกอินไว้อยู่แล้วคนใช้ต่อคนใช้ต่อแล้วก็เอายูเซอร์ของดุสานนี่ไปโพดแบบเรื่องของอะไรก็ไม่รู้หมิ่นประหม่ามาตาโน่นนี่นั่นเอาข้อมูลที่เป็นเท็จเข้าระบบคอมพิวเตอร์เนี่ย คนที่ศาก็จะแบบว่าก็จะโดนก็จะแบบว่าอ้างอ้างไม่ได้เออฉันไม่ได้ใช้พอดีออกไปข้างนอกแล้ววันที่กลับไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกลัวมากอ่ะเออคือคือความหมายว่าทางทางระบบของทางกระทรวงที่คุณบอกอะไรนะค่ะ DES อ่ะ DES อันนี้เขาก็จะมาช่วยอย่างหนึ่งอ่ะนี่คือเป็นประเด็นเนี่ยนะฮะแต่แต่ระยะเวลาเขาบอกไง อ่าเข้าอะไรนะจะให้เก็บข้อมูลนะเก้าสิบวันเก้าสิบวันนี่นานเหมือนกันนะนานนานนานอยู่สามเดือนสามเดือนจริงจริงมันก็เป็นปกติของเขาเรียกว่าอะไรนะพรบกฎหมายอะไรประมาณนี้เก้าสิบวันพื้นฐานอ่าก็เก้าสิบวันไว้ตรวจสอบอ่ะอ่าแต่ถ้ามันเกินจากนั้นก็ตรวจสอบก็จะเก็บไว้ก็ได้ไม่เก็บไว้ก็ได้อะไรเงี้ยใช่ก็ถือว่ามันก็ตามกฎหมายอืมประมาณนี้ค่ะคือจริงจริงแล้วมันมัน มันเขาก็ตรวจสอบเพราะว่าต้องการจะรับทราบเฉยๆว่า ม, มีใครที่แบบทำผิดพรบอรคอมพิวเตอร์หรือเปล่าในส่วนของการใช้งานอินเทอร์เน็ตในโลกออนไลน์เดี๋ยวนี้มันก็แบบเนาะนี่คุณผู้ฟังคุณผู้ฟังบอกว่าเออฉันไม่ได้อยู่แบบไปใช้งานข้างนอกอะ่ะเออที่บ้านฉันใช้ที่บ้านเล่นไหมมันมันถือว่าฟรีไหมไม่ฟรี<อ>แต่ตรวจสอบได้ไหมตรวจสอบได้อ่าแล้วตรวจสอบได้จากเลขเอ่า ไอพีเหมือนกันแต่มันก็จะบอกว่าโลเคชันพื้นที่นี้อยู่ตรงไหนแต่ตรวจสอบมาต้องตรวจสอบจากต้นทางคือที่เราใช้บริการถูกไหมคะเออเดี๋ยวปลายทางเขาตามตามได้โอ้ก็คือสมมติว่าใช้อะไรก็รัดก็แล้วแต่นะตอนนี้ที่เป็นอินเทอร์เน็ตสามารถตรวจสอบได้จะเห็นได้ชัดนะเห็นได้ชัดเจนนะส่วนอื่นอาจจะมองให้ชัดอะไรเงี้ยมองให้ชัดนะเอาแบบเอาภาษาง่ายๆแต่ถ้าภาษาแบบผดทางด้านของทีมไอทีเทคโนโลยีเขาอาจจะบอกว่ามันไม่ครบอ่ะบางทีอาจจะแบบ คำนี้ยังใช่ไม่นะแต่ถ้าแปลงง่ายๆคุณผู้ฟังสมมติว่าเราไปเว็บบอร์ดอันนี้เห็นชัดคุณจะเห็นชั้นนะพันทิปพอคุณไปโพสมันจะขึ้นไอพีจะขึ้นไอพีแบบแรกนี่คือบอกเลยว่าคุณทำมาจากที่ไหนแล้วคุณไปโพสมาจากตรงไหนเวลาเครื่องอะไรคือตามได้อ่ะตามได้คือไอตัวเนี้ยเราบอกว่ามันใช้ยังใช้ได้มันแบบมันเกี่ยวกับชั้นหรือเปล่าหรือยังไง osionfish. เท่นยังห์นาวิง카ิ Ostiareencient มองห์แบบน่ ни งต้องดูกฎพูดฟราบ Ieotin. อ enseñ อดูกฎพูดมายทออกมาคือพบกฎพูดอ Rut obten. ส lanes ap a chore at URE क loves you. พูด socks A were the first. เห็นยังห์แความค์ฝ traz me lettages. ว مل กฎับขึ้น Als a theme ft�� 게요ของคือสำหรือความผิดได้ Finding the problems of genetics. 사고ดูกฎับอะไร reproduce. มันก็เป็น et cetera but, the mainзfest temptation when you think I need to direct it จะเป็นการขอความบน ม, มือร่างค่ะต่างๆที่ teaching offer ข ההят b ตรงการ Free-Wi-Fi แบบเนี้ยครัว ข, ขอความร่วมมือวิธีการจะต้องอย่างไรายเขาต้องไปทำระบบเพิ่ม collapsed xana และก็บวนการเก็บไหนยจะอยัางอะไร illustrate illustrations ต้อ ง, งในการ Lean ข้อวมูล Data ช่วงรายท erm หรือเปล่าเออถ้าเป็นร้านอิน ต, เตอรอเนตมนจะดีหลรายทองวันอยู่ Pepper หรือเปล่ามันเนี่ยกระบวนการโปรเซสตรงนี้อาจจะต้องต้องมีเงื่อนไขวิธีการหรือซอฟต์แวร์บางตัวอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบให้กับผู้ที่ใช่เนี่ยสามารถเอาไปพัฒนาหรือรูปแบบการจัดเก็บได้ถูกไหมฮะเพราะบางทีนั่นก็เป็นแบบร้านค้าทั่วไปอยากแบบในชุมชนเนอะเราฉันจะต้องเก็บยังไงหรออย่างแบบร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ไงคน แบบอเอ้ยเราฉันต้องเก็บยังไงอ่ะคือรายละเอ、Light、ียดคาเฟ่เองเนี่ยเขาก็จะมีดัตต้าคุณเขาก็จะมีดัตต้าของเขา<อ><อ>เองอยู่แล้วอของเขาอยู่แล้วก็คือความหมายคือเขาก็จะมีแบบว่าอ่าใครมาใช้เครื่องไหนอือฮะเหนือไหม คือหนึ่งเขาก็จะมีกล้องมูนจอห์นปิดนะเขาก็จะมีข้อมูลดัตตาบางตัวการล็อกอินนะแล้วก็จะรู้ว่าเครื่องนี้เครื่องที่เท่าไหร่อันไหนเงี้ยมันก็จะพอมีเบื้องต้นแต่ถ้าเป็นร้านทั่วไปอ่ะอ่ะแบบคุณแม่ผมเปิดร้านอย่างเงี้ยแบบไม่มีความรู้เลยอะไรเงี้ยเออแต่ตอนมีเวฟายแต่มันจะมีอีกเคสหนึ่งนะเคสหนึ่งคือฉันน่ะมีเน็ตที่บ้านตอนนี้จากแบบเอดีเอสแอลที่มันเป็นแบบอะไรนะเป็นแบบ ใหญ่แก้วไฟเบอร์อะไรเงี้ยมันเร็วๆขึ้นก็ไม่ได้ทำอะไรฉันก็แค่แบบตั้งรหัสถูกไหมใช่ที่บ้านก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันฉันก็ตั้งรหัสรหัสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหรือแบบเบอร์โทรศัพท์ศูนย์สองอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปเพื่อให้ลูกค้าบางคนเอากดเก้าแปดครั้งหรือกดเก้าเก้าตัวอะไรเงี้ยนึกออกไหมวิธีการที่จะเก็บยังไงเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ ต้องศึกษาหรือทางหน่วยงานที่ดูแลเนี่ยต้องออกวิธีการคือในตอนนี้เนี่ยเขาแค่บอกมาว่าเขาจะเก็บจะเก็บนะแต่ยังไม่มีวิธีการออกมาว่าจะเก็บยังไงคือไม่ได้คือถ้าคนที่ทำงานอยู่แล้วองค์กรใหญ่เนี่ยก็ถือว่าปฏิบัติตามเพราะมีระเบียบแต่ถ้าคนทั่วไปจะเก็บจะเก็บยังไงอะเริ่มต้นฉันต้องเริ่มต้นยังไงถูกไหมเออนะเราก็ให้ให้ประเด็นเรื่องของข้อมูลส่วนตัวกันซะเยอะนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่สักนิดนึงนะฮะ ฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็สะปอสะร์ตสารคดีสักครู่หนึ่งก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่ อ, อมีฟีเจอร์ใหม<ฆ>่มีอะไรบ้างรู้สึกคุณตามเลยหรือเปล่าไอจีดักโหมดอ่ะใช่ค่ะเปิดมาตกใจว่าโอ้ยพังหรือเปล่ า, าคือตอนแรกมันล่มไปก่อนไอจี <IG S 1> ล่มเสร็จหลังจากนั้นมันอัปเดตตัวเองค่ะแล้วก็ เ, เป็นสีดำเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในเบรกหน้าเผื่อคนไหนบอกเอ้ยจริงเหรอมันทำได้จริงจริงเป็นยังไงอ่ะจุงงานเดี๋ยวคุณดาริสามารีวิวให้ค่ะ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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญาบุรีศูนย์รังสิตปากทางเข้าเมืองเอกหยุดวันนักขัดตะเลิกสอบถามโทรศูนย์สองห้าเก้าสองหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งมองหาโรงงานผลิตและศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสมุนไพรด้วยมืออาชีพราคา ย, ย่อมเยาวปลอดภัยได้มาตรฐาน гаранти ่ด้วยคุณภาพกับศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม วิทยายลัยการแพทย์แผ่นไทยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชชั่วโมงคลฮั ญ, ญบุรีศูนย์ ร, รังสิทธิ์ปากทางเข้าเมืองเอกติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทษ 02-592-1999 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญญาบรุรีขอเชิญชวนนักศึกษาบุคลาก่อนและพูดได้สนใจเขารวมโครงการฝึกทักษาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกล้างสื่อสารกับชาวต่างชาติแนะนำข้อมูลการศึกษาต่อและฝึกงานในต่างประเทศใน English Zone ครอมให้บริการทุกวันนาคารเวลา12ดรกาถึง13ดรกาที่ชั้น3สำนักวิทยะบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลายเทคโนโลยีราชมงคลทัญญาบุรีจัวหัดประทุมทานนี้สมัครฟรีไม่มีค่าจะใจสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-549-3653 วิทยุราชมงคลทัญญาบุรี Airframe 80.5 MHz เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตกลับเข้าสู่ไมค์คอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายกับดาร์กโหมดของไอจีไว้เอาสักนิดหนึ่งละกันนะใช้ได้เฉพาะอะไรแอนดรอยหรือหรือไอโอเอสไอโอเอสก็ได้แต่<อ><ะ>ต้องเป็นสิบสามขึ้นไปค่ะไอโอ เวอร์ชันใหม่เหรอใหม่ค่ะ ถ,、mm hmm. ถือถ้าแบบไม่ถึงนี่กคือไม่ได้ไปต่อกินแล้วฮะไม่ถึงอาจจะต้องรออัปเดตอันเ、uh, หรอใช่ค่ะทีนี้เนี่ยของแอนดรอยด์นะคะก็อย่างที่บอกไปคือตอนแรกเนี่ยมีข่าวว่าแบบไอจีย、IG、ล่มอินสตาแกรมล่มจนติดเทนเทเบิลเตอร์เลยค่ะเข้าไปดูเออล่มเหรอพอกลับมาอีกทีเหมือนแบบพอเราไปอัปเดตเนาะไปอัปเดตตัวแอนดรอยด์ Android, ให้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุด หลังจากนั้นก็มีประกาศออกมาเลยค่ะว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่ของแอนดรอยด์ด้วยนะคะคือแอนดรอยด์นะตอนนี้เนี่ยน่าจะทั้งหมดแล้วแหละนะคะอินสตาแกรมที่เป็นดาร์กโหมดเขาก็บอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นมิดกับสายตานะคะอันนี้เขาเขาเขาแจ้งมาว่ามันเป็นมิดกับสายตาแต่จริงมันแปลกตามากๆเลยนะคุณแล้วก็ยังเป็นมิดกับแบตเตอรี่อีกด้วยค่ะคือทางอินสตาแกรมเองเนี่ยยังไม่อนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยน ดักโหมดภายในแอปคือไม่สามารถเปลี่ยนกลับได้นะคือมันเป็นดักโหมดไปเลยไม่สามารถรเปลี่ยนได้ไม่สามารถสวิชได้นะคะคืออันนี้เนี่ยตั้งเป็นตั้งค่าในตัวเครื่องเองนะคะเป็นเหมือนแบบเป็นฟีเจอร์ที่ตอนนี้ทั้งแอนดรอยด์แล้วก็ไอโอเอสเนี่ยสามารถมีได้ถ้าเป็นอัปเดตของไอโอเอสเองนะคะสิบสามขึ้นไปมันก็จะเปลี่ยนเป็นดักโหมดให้อันตโนมัติเหมือนกันอืมฮึ่มอ่านก็นะะรอนะฮะบางคนก็เขาบอกว่าต้องไปที่ถ้าเป็นแอน แอนดรอยด์ <Android S 2> Android, ใ, ให้เข้าไปที่อ ะ, อะไรนะเพลย์สโตร์แล้วก็ไปเลือกที่อินสตาแกรมพอเลือกอินสตาแกรมเสร็จปุ๊บนะฮะแล้วก็เลื่อนลงมามนะฮะเอาคลิกเข้าไปในตัวตัวอินสตาแกรมก่อนหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็คลิกเขาบอกอย่างนี้นะฮะคลิกเปิดรับการเป็นผู้ทดสอบรุ่นเบตา้า อืมแต่ร、<ah>、ุ่นของดิฉันค、uh、ือแบบเปิดมามันเป็นดักโหมดเลยล่ะอ้าวเหรอเขาบอกว่าให้ไปเปิดเปิดรุ่นแบบทดสอบก่อนหลังจากนั้นก、pues、็อัปเดตพออัปเดตเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะปรับให้นะฮะก็ก็เป็นเป็นเป็นทยอยกันนะฮะบางคนบอกว่าเอ๊ะจะเป็นอย่างไรบางคนบอกเอ๊ยยังไม่เป็นเลยนะฮะแต่ถามว่าดีไหมก็ดีนะก็คือแต่แอปพลิเคชันอื่นดิฉันก็ใช้ดักโหมดนะ ถ้าเป็นทวิตเตอร์ก็ดักโหมดอะดักเหมือนกันคือมันสบายตามันไม่แสบตาดูนั้นนะจริงแต่ทีนี้คือในส่วนของไอจีไม่ได้เป็นแค่ดักโหมดอย่างเดียวค่ะคุณเขามีการปรับด้วยในเรื่องของเขาเรียกว่ากิจกรรมใช่ไหมกิจกรรมสำหรับผู้ติดตามตัวแอคทิวิตี้เองเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูคนที่เคยเล่นจริงจริงอะนะฮะพอเข้ามาที่ไปไหนล่ะ ตัวกิจกรรมออตัวเนี่ยฮะตรงเรียกว่าเราเวลาเรากดตัวที่เป็นรูปหัวใจอะใใ่ ะ, อะเดิมทีมันจะมีตัวที่เป็นหัวใจมั่นชื่อเดิมไ ม, นะอม่ได้นะอะไรมีไมายมีอะไรสักอย่างภาษาไทยน่าจะเป็นกิจกรรมของเพื่อนอะไรประมาณนั้นคือมันมีของเราคืออันดับแรกเนี่ยเป็นแอคทิวิตี้มันค่อยเป็นของเราและอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะพูดถึงเรื่องของคนที่เราไปฟอร์ไว้การติดตามอะไรสักอย่างหนึ่งตัวนั้นเราจะเห็นเราก็จะเห็นว่าใครไปกดไลค์ใครไป <า>คนนี้กดฟอลโล่ใครคนนี้กดลูกใครบ้าง <c oughs> อะไรเงี้ยหรือ <c oughs> คนนี้เขาเน้นไปที่แท็กอะไรตอนนี้ <c oughs> อะไรเงี้ยนะคะก็บางคนก็แบบไปตามหากันเจอจากในนั้นก็มีใช <c oughs> ่ค่ะแต่ตอนนี้เหมือนว่าเขาสร้างความแบบอะไรนะเป็นส่วนตัวแบบใช่ <c oughs> แล้วก็เหมือนจะปรับวิธีการคือจะไม่ค่อยโชยอด ที่เราแจ้งไปโชยอดจะเป็นแบบยอดไลท์ยอดไลท์ให้แบบเป็นยอดวิวหรอไอ้สักอย่างหนึ่งอะให้เป็นแบบตืดๆแล้วก็อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอ้าก็ถือว่าเป็นการพัฒนานะของของทางไอจีอันนี้มาเล่าโหมดนี้กันน่าสนใจนี่อีกตัวหนึ่งนะข่าวดำเหมือนกันข่าวดำอ่ะเปลี่ยนภาพข่าวดำเป็นภาพสีเออคัลเลอร์ไลท์นะฮะฟีเจอร์ใหม่ของกูเกิลโฟโต้เออตัวนี้เนี่ยก็ เขาบอกอย่างนี้คุณฟังเขาบอกว่าถ้าจำในงาน Google I/O สองพันสิบแปดเขามีการสาธิตฟีเจอร์ใหม่คือเปลี่ยนภาพขาวดำให้กลายเป็นภาพสีเหมือนกับภาพนี้ไม่เคยเป็นขาวดำมาก่อนเขาบอกอย่างนี้นะฮะผ่านไปหนึ่งปีเงียบหายกลับไปหรอฟีเจอร์นี้ไม่มาไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยแต่ก็ยังมันยังไม่โดนทิ้งนะเพราะล่าสุด Mm. ฟีเจอร์นี้กลับมาปรากฏตัวให้เห็นในแอป Google Photo เวอร์ชัน 4.26 ฟีเจอร์ดังกล่าวนี้มีชื่อว่า PhotoList นะครับ PhotoLights นะฮะ、mm. ซึ่ง Google เองก็จะพึ่งพาวความสามารถของ AI ในการเติมสีให้กับภาพขาวดำ ก็ประมวลเอาว่าเออตัวนี้จะเป็นส、<mm、ีส้มอันนี้จะเป็นสีแดงสีน้ำตาลอ่อนอะไรเงี้ยเสื้อจะเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินก็ว่ากันไปเพื่อให้ได้มาซึ่งความใกล้เคียงสีที่ตาเราเห็นคือก็บอกว่ามันก็เป็นอีกการใช้ระบบแบบเอไอส่วนฟีเจอร์นี้นะฮะจะมีความลักษณะ ซีซีนะฮะนะฮะภาพสลุๆๆ <S <S สหลัวจะเป็นส่วนใหญ่ <S <S หแต่ส่วนของวัตถุที่เราเห็นกันเป็นประจำทุกวันอย่างท้องฟ้าน้ำท้องทะเล <S <S ต้นไม้อะไรเงี้ยนะก็อาจจะแบบอาจจะแบบจับได้ภา <จะ S 1> พ, พนี้ภาพก็พจะแบบปรับโทนให้อะไรเงี้ยฮะก็อยู่ในช่วงของเบตานะทดลองอีกเหมือนเดิมนะฮะทำให้อาจจะมีข้อผิดพลาดในการใช้งานอยู่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็จะทยอยมาให้ผู้ใช้เนี่ยได้ลองดาวน์โหลดกันด้วยนะฮะนี่เอไอก็ใช้ในตัวนี้ฮะ ชิมชอบใช้เนี่ยชิมชอบใช้ถ่ายรูปใช่ไหมถ่ายรูปนะฮะก็คือใช้ลักษณะของการจับภาพใช่ดิฉันมีข้อมูลนิดนึงว่าจริงจริงเนี่ยเฟซเขาเรียกว่าคล้ายคล้ายเฟซไอเดียอะไรอย่างเงี้ยคุณที่แบบถ่ายภาพออกมาแล้วมันไม่ตรงสักทีเขาบอกว่าจริงจริงเนี่ย คือการจับภาพหรือการวิเคราะห์ของเอไอเนี่ยต้องจับโครงหน้าความกว้างของจมกูกระยะเว้นเขาเรียกว่าระยะเว้นของระหว่างตาะนะคะแล้วก็ขนาดของหนวกแก้มความลึกของเบ้าตาพื้นที่บริเวณบนใบหน้าครับคือมันก็เลยแบบยากนิด น, นึงไหมคือบางคนบอกว่าอุ้ยแบบผอมอย่างเงี้ยหน้าตอบอะไรเงี้ยบางคนบอกว่าอุ้ยแบบเชิดหน้านิดนึงหรือบางคนกดหน้านิดนึง <c oughs> เอาเนียงขึ้น อ, อะไรเงี้ยก็ต้องก็ก็เป็นเทคนิคนะแต่ว่าระบบ ตัวเอไอในการออกแบบครั้งนี้เนี่ยคือเขาจับมาจากภาพคือไม่ได้เอาใบหน้าใบหน้าจริงไปจับไงคือถ้าบอกว่าเอาใบหน้าจริงมาลงทะเบียนนะอาจจะไม่ผ่านอะไรเงี้ยไม่คือเอาใบหน้าจริงมาลงทะเบียนก่อนแล้วพอไปใช้งานจริงอะไรเงี้ยคือเอาเอาหน้าไปไปตรวจสอบหน้าแต่อันนี้เหมือนเอารูปมาตรวจสอบหน้าเหมือนก็เลยอาจจะแบบเอ้ยเหมือนจริงหรือเปล่าเพราะว่าในการถ่ายครั้งนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่า ใช้กล้องจากตรงนั้นคือบางคนก็บอกว่าอเอ้ยก็ภาพจากตอนที่เราไปถ่ายแบบประชาชนไงอตอนนั้นหน้าอะไรเงี้ยแต่ก็บอกว่าอืมก็ก็กูดยากอะนะฮะ เ, เพราะถ้ารูปแบบประชาชนก็บอกว่า แอตจิซีบแอตจิซีบไม่บางคนบอกบางคนกระเซิงกระเซิงไงบางทีบอกว่าไม่มีโอกาสในการจะแก้ตัวเพราะว่าไม่ให้แก้ตัวไม่ไม่มีโอกาสให้เธอแก้ตัวเพราะเพราะบางทีแบบคนเยอะเขาเหนียวเขาใจบางทีเราก็ไม่กล้าพูดแบบพี่ขออีกทีได้ไหมอะไรเนี้ยบางคนบอกจะขออีกทีบ่อยก็ไม่ได้ไงเพราะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าขอเธอ ถ่ายกันได้แค่นั้นแหละห น, น, น, นะฮะอันนั้นอีกชนิดห น, นึ่งไหมปิดท้า ย, น, ายนิดนึงนาทีเดียวสั้นๆจะเหมือนเวลาละค่ะร้อยเดียวเที่ยวทัวร์ไทยนะคะมาแล้วค่ะคุณเขาบอกว่าให้เปิดลงทะเบียนจะเป็นในช่วงประมาณวันที่ 11-12 พฤศจิกายนคือเดิมทีสิบเด<อ>ือนสิบตอนนี้ขยับละขยับไป น, นิดนึงเดือนหน้าละกันนะคะแล้วก็อีกทีนึงก็คือ 11-12 ธันวาคมในเว็บไซต์ thai.travelthailand.org ของทททเป็นแพ็กเกจเขาเรียกว่าร้อยเดียวเที่ยวทัวร์ไทยคือจะมี แบ่งสิทธิ์เอาเป็นสี่รอบด้วยกันอรอบละหนึ่งหมื่นรายนะคะแล้วก็รวมตลอดก็คือสี่วันมีสิทธิ์อยู่สี่หมื่นคนที่ลงทะเบียนที่จะได้ ขึ้นหนึ่งล้านคนยังแบบหมดก็ยังขนาดนี้นี่คุณเขาบอกว่าตอนนั้นเขาบอกให้ไปดาวน์โหลดแอปใช่ไหมแอปพลิเคชันใช่ต่อไปมาเปลี่ยนใหม่ละเปลี่ยนเป็นเว็บไซต์แล้วคนที่ดาวน์โหลดแอปละเปลี่ยนละนะเป็นเว็บไซต์นะคะอย่าลืมอ้าวนะฮะ thailand.travelist นะคะ thailand.org ของทททนั่นเองค่ะเตรียมตัวนะฮะและไม่รู้เวลาด้วยนะ มีนะฮะเขาจะให้สิทธิ์ยังไงอ่ะไม่รู้ว่ายัง ไ, ไงนะฮะไม่บอกเวลาด้วยออนะฮะ <S <S สนุกสนานกันต่อไปนะฮะอ่ะบนเวลาแรกคุณผู้ฟังติดตามกันใหม่ในคลังหน้ากับไมค์คอมพิวเตอร์นะคะพูดคุยเรื่องเราเวเกี่ยวกับเทคโนโลยีฟีเจอร์ต่างๆที่อัปเดตกันเช่นเคยดาริสาตระกูลเงยพร้อมด้วยคุณประหยพงค่ะลาไปแล้วสว<า S>ัสดีค่ะสวัสดีครับ